เรื่องที่20สอยู่กับคนใจร้ายความใจร้ายของคนนั้นถ้าใครไม่โดนเข้ากับตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าตนจะต้องสูญเสียความสงบใจสักกี่มากน้อยลูกสนสิ้นดีหลานเกเรไม่เป็นท่าเพื่อเหลวไหลหัวเจ้าชู้เมียขี้หึงคนรักแสนงอนผู้ใหญ่บ้านใจดำ เพื่อนบ้านใจจืดคนใช้มือไวนายจู้จี้และอื่นๆถ้าท่านโดนเข้าบ้างจะทำอย่างไรจะนั่งแช่งให้เขาตายไปก่อนเราดีหรือเราเองควรจะหาทางตายไปเสียให้มันรู้แล้วรู้รอดพฤติการของมนุษย์ที่บ้านนี้ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่เป็นเรื่องจริงๆใครเป็นใครไม่รู้ แต่ฝ่ายคนที่โดนเข้าแล้วรู้ทุกคนแล้วก็จำได้จนวันตายทั้งนั้นที่ผมบอกว่าใครเป็นใครไม่รู้คือคนที่ใจร้ายร้อยทั้งร้อยมักจะไม่รู้ว่าตนเป็นคนใจร้ายไม่รู้ว่าตัวได้ทำความเดือดร้อนให้คนที่อยู่ใกล้สักกี่มากน้อยถ้ารู้ตัวเสร็จแล้วก็คงจะเลิกเป็นแต่นี่เราไม่รู้ จึงยังคงเป็นเพลินอยู่อย่างนั้นจนเฒ่าจนแก่ก็มีผัวเจ้าชู้ก็คิดแต่ว่าเมียขี้หึงฝ่ายเมียขี้หึงก็คิดแต่ว่าผัวเจ้าชู้คือไม่รู้ส่วนที่ตัวเป็นคนที่ขี้จู้จี้ก็มักจะเห็นแต่ความบกพร่องของลูกน้องฝ่ายลูกน้องที่เป็นคนขี้มักง่ายก็มักจะเห็นแต่จู้จี้ของนายพูดง่ายๆว่า ขนมผสมน้ำยาแต่เมื่อปัญหามันตกลงมาถึงเราแล้วก็ปล่อยการที่จะไปมัวนั่งแก้คนอื่นใครจะรู้หรือไม่รู้นั่นมันเรื่องของเขาที่พูดนี้ก็เพื่อจะบอกกันไว้ว่าคนที่เขาร้ายนั้นเขาไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าเขาร้ายอย่ามัวไปนั่งรอให้เขาแก้ที่ตัวเขาเลยแล้วก็อย่าไปมัวคิดที่จะแก้ให้เขาถ่ายเดียว เพราะถ้าเขาเป็นมากๆแล้วเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเราหลบไปอยู่ที่ที่เสือกัดไม่ได้ดีกว่าที่จะไปนั่งอบรมเสือไม่ให้มันกัดเพราะแม้แต่เราจะอบรมให้เสือมันรู้ว่ามันเป็นเสือเท่านั้นก็แย่แล้วถ้าท่านรู้สึกเป็นทุกข์ใจเพราะต้องอยู่กับคนเจรายและยังไม่มีวิธีปฏิบัติอย่างอื่นเพื่อความสงบใจ ผมอยากจะแนะนำวิธีง่ายๆให้วิธีหนึ่งนอกจากจะเอาใจเราเข้าที่หลบอภัยได้แล้วยังอาจโผล่ออกไปดูบทบาทร้ายของเขาได้อย่างสนุกอีกด้วยวิธีปฏิบัติคือการคิดถึงความจริงที่ว่าสรรพสัพตว์ในโลกนี้เกิดมาตามบุญตามกรรมล้วนแต่บุญธรรมกรรมแต่งมาด้วยกันทั้งนั้น เหมือนอย่างดินหรือปูนที่เป็นตุ๊กตารูปต่างๆที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนั้นมันจะเป็นรูปอะไรสวยหรือขี้เริ้วขี้เรอย่างไรมันไม่ได้เป็นของมันเองแต่เป็นที่ช่างปั้นปั้นมันมาต่างหากแต่เวลาเราเกลียดเรามักจอไปเกลียดที่ตุ๊กตาดูกระอยู่สสารทั้งปวงนั้นมีสมบัติติดตัวที่แกะไม่ออกอยู่สองอย่างคือ ร่างกายกับจิตใจแล้วทีนี้ทั้งสองอย่างนี้เป็นผลมาจากกรรมเก่าไม่มีใครได้เลือกเอาเองเกิดมาแล้วจึงรู้แล้วก็ครองกันไปตามบุญตามกรรมร่างกายของสัตว์ในโลกนี้มีตั้งหลายอย่างเป็นร่างคนก็มีร่างงูก็มีร่างเต่าปลานกวัวหมีเสือช้าง และอื่นๆมีทั้งนั้นใครจะได้ร่างอะไรมาครองการเป็นผู้เลือกให้เราไม่ได้เลือกเองแม้ในร่างจำพวกเดียวกันก็ยังต่างคุณภาพอย่างเช่นพวกได้ร่างเป็นคนด้วยกันบางคนก็ได้ชนิดคุณภาพไม่ดีเขี่ยโรคตายเร็วบางคนก็ได้ชนิดคุณภาพพอจะได้ ทนแดดทนฝนพอควรบางคนได้ร่างชนิดดีถูกกระทบกระแทกน่าจะตายตั้งหลายหนแล้วก็ไม่ตายอันที่จริงใครจะได้ร่างชนิดไหนมันแล้วแต่กรรมถ้าเลือกเองได้ใครเล่าจะยอมเลือกเอาร่างชนิดจะเป็นทีบีใครเล่าจะเลือกเอาร่างที่จะเป็นมะเร็งใครเล่า จะเลือกเอาร่างที่จะเป็นโรคเรื้อนร่างชนิดที่ว่านี้คงไม่มีใครยอมใช้เป็นแน่ทางด้านจิตใจก็เหมือนกันใจในโลกนี้ก็มีตั้งหลายชนิดใจคนใจเสือใจยุงใจงูและอื่นๆมีลักษณะต่างๆกันไปแม้ในพวกเดียวกันก็ต่างคุณภาพใจทนทานก็มีใจขี้แยก็มีใจน้อย ใจงอนใจดำใจร้ายและอื่นๆมีตั้งหลายอยา่างแล้วก็ไม่ได้เลือกเองทั้งนั้นถ้าเลือกใจได้เองทุกคนก็ต้องเลือกเอาใจที่ฉลาดเรียนเก่งเป็นปริญญาเอกกันทั้งหมดเท่านั้นแต่นี่มันเลือกไม่ได้และไม่ได้เลือกจึงได้มีใจหลายอย่างต่างๆกัน ถ้าท่านเห็นสัตว์ชนิดอื่นๆก็ลองคิดอย่างนี้แหละครับคือขอให้คิดอย่างเดียวว่ากำไล่ให้มันมาเกิดเป็นอย่างนั้นและบังคับให้มันใช้ร่างกายและจิตใจอย่างนั้นเหมือนๆกับเราๆท่านๆ น, นี่แหละลองเรากลับไปเป็นมันดูบ้างก็จะเห็นว่าถ้าเราเป็นมันก็จะต้องแสดงบทบาทอย่างมันนั่นเองนี่ดีว่าเรารอดตัวมาเป็นคนเสียได้ แล้วเราก็แสดงบทบาทอย่างคนทั่วไปถ้าท่านเห็นสัตว์อื่นแสดงกิริยาที่ท่านไม่ชอบท่านก็ควรจะนึกเสียว่ามันแสดงไปตามหน้าที่ของมันมันไม่ได้แกล้งแสดงให้เราเห็นหมามันก็เห่าลิงมันก็เกามันเรื่องของมันถ้าท่านถูกยุงกัดเราก็นึกเสียว่ามันเป็นยุงมันก็ทำมาหากินอย่างยุง ยุงก็มีภาระเหมือนกับคนเรานี่แหละคือมีชีวิตและต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตแต่วิธีหาเลี้ยงชีพของมันบังเอิญเป็นวิธีจะเอาเลือดเราไปกินที่มันเจาะเอามันก็ไม่ได้คิดว่าจะทําให้เราลาบากลาบนก็เปล่าทั้งนั้นแล้วถ้าว่ากันตามที่จริงยุงมันก็ไม่ได้หอบขนเอาเครื่องมือมาเจาะเลือดเรา ไม่เหมือนกับที่พวกมนุษย์ที่ขนเอาสตราวุธไปฆ่าพวกมันมันใช้ปากของมันเท่านั้นและที่เอาเลือดเราไปก็แค่เต็มท้องไม่ได้เอาปี๊บเอาถังมาขนเอาไปตุนไว้อย่างที่คนเราทำานึกเสียอย่างนี้ก็น่าเห็นใจมันตัวพยาธิที่มาเจาะชัยอยู่ในร่างกายของเรามันก็ไม่ได้เจตนาจะฆ่าเรามันก็หาเลี้ยงชีพของมันเท่านั้น มันคงไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าเราชื่ออะไรเป็นลูกใครหลานใครและมีเรื่องอะไรขัดใจกับมันลองนึกดูให้ดีสิครับคนเรานี้ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ตัวเป็นคนแต่ไม่อยากเป็นคนกลับปรารถนาจะเป็นเทวดาบ้างปรารถนานิพพานบ้างสัตว์อื่นๆมันก็คงจะเหมือนกันกระมังคือมันเองก็ไม่อยากเป็นอย่างที่มันเป็น เป็นเสือเสียจนเบื่อเป็นงูเสียจนเบื่อแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะมันเป็นเสียแล้วคิดเสียอย่างนี้ก็โกรธกันไม่ลงเหมือนกันทีนี้วกเข้าเรื่องของคนด้วยกันความร้ายของคนนั้นมันออกมาจากใจร่างกายเป็นเพียงที่แสดงออกเท่านั้นเหมือนภาพที่จอหนังมันออกมาจากฟิลม์ม ส่วนจอเป็นเพียงที่แสดงออกของภาพเท่านั้นฟิล์มมันว่าไว้อย่างไรตัวภาพที่จอมันก็เต้นไปตามจังหวะเท่านั้นทีนี้คนเรานี้เลือกอะไรเองก็เลือกได้เว้นอยู่สองอย่างเท่านั้นที่เลือกไม่ได้คือกายกับใจที่ว่ามาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่แสดงบทบาทร้ายๆกับเรานั้น เขาก็เป็นผู้หนึ่งที่มีใจอย่างนั้นมาด้วยความจําเป็นเมื่อใจเขาเป็นใจชนิดนั้นเขาก็แสดงบทบาทอย่างนั้นจะทําอย่างไรได้เรื่องนี้เราน่าจะต้องเห็นใจเขาบ้างละ่ะแล้วก็ต้องนึกว่าบทบาทร้ายๆเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าได้ผัวเจ้าชู้ก็คิดเสียว่านั่นเขาแสดงไปตามบทบาทรัก ในหัวใจของเขาถ้ามีขี้หึงก็คิดเสียว่าเขาหึงไปตามบทบาทรักในหัวใจของเขาถ้าใครร้ายกับเราเราก็คิดเสียว่าเขาไม่ได้ร้ายกับเราแต่เขาร้ายไปตามตัวบทซึ่งถูกบังคับอยู่ในหัวใจของเขาแล้วต่างหากเราเป็นผู้ดูเขาเท่านั้นผู้ร้ายในหนังในละครเขาฆ่ากันเองทําไมเราจึงเดือดร้อนเล่า ผมเองนิสัยมันขี้เล่นครับอดไม่ได้พูดมากไปก็รู้ตัวเหมือนกันว่าจะทำให้บางท่านนึกหมั่นไส้คนพูดผมคิดเล่นๆไปจนกระทั่งว่าคนที่แสดงบทร้ายๆในหนังในละครเรายังอุตส่าห์เสียงเงินค่าผ่านประตูเข้าไปดูเข้าไปแล้วก็อยากจะดูให้มันใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆยิ่งถ้าตัวร้ายในเรื่องใด ทำให้คนดูร้องไห้ทั้งโรงเราก็ยิ่งชมว่าเขาแสดงดีจริงๆไม่เสียดายเงินค่าดูเลยก็แล้วถ้าใครคนหนึ่งสมมติว่าเป็นพ่อไอ้หนูของเราเองร้ายกับเราเข้าบ้างจะคิดเสียว่าแหมแกแสดงบทร้ายได้แนบเนียนเหลือเกินเป็นดาราเจ้า บ, บทบาทสามารถบีบน้ําตาเราได้มีเสียแรงที่อุตส่าห์หุงข้าวไว้ให้แกกินทุกวัน อย่างนี้ไม่ดีหรือเขาก็มีหัวใจเหมือนกัน